นิทานสอนใจเรื่องเป็นคุณคุณจะเลือกใครเรื่องมีดังนี้ค่ะผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากบ้านของเธอและได้เห็นชายชาราที่มีคราวสีขาวสามคนนั่งอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านเธอไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครเธอพูดกับเขาว่า ฉันไม่คิดว่าฉันรู้จักพวกคุณแต่ท้าทางคุณต้องหิวแน่เลยโปรดเข้ามาในบ้านและทานอะไรสักหน่อยเธอคะ่ะสามีของเธออยู่ในบ้านไหมไม่เขาออกไปข้างนอกคะ่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เข้าไปข้างในไม่ได้หรอกในตอนเย็นคะ่ะเมื่อสามีเธอกลับมาบ้าน เธอเล่าให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นไปบอกพวกเขาสิว่าฉันเนี่ยกลับมาแล้วและเชิญเขาเข้ามาในบ้านเราเถิดเธอก็ออกไปและเชิญพวกเขาให้เข้ามาในบ้านเราเข้าไปในบ้านพร้อมกันไม่ได้หรอกทำไมล่ะชายชาลาคนหนึ่งอธิบายว่า ชื่อความมั่งคัง่งเพื่อนคนโน้นชื่อความสำเร็จและอีกคนหนึง่งคือความรักบัดเนี้ยเธอจงเข้าไปในบ้านและปรึกษากับสามีของเธอว่าคนไหนในพวกเราที่คุณต้องการจะให้เข้าไปในบ้านของคุณเธอกลับเข้ามาข้างใน และบอกกับสามีของเธอสามีของเธอดีใจมากวิเศษจริงเมื่อเป็นเื่นนี้นะเราจะเชิญความมั่งคั่งเมื่อเขาอยู่กับเราบ้านของเราจะเต็มไปด้วยความมั่งคั่งฝ่ายภรรยาไม่เห็นด้วยคะ่ะเธอบอกว่าที่รักทำไมเราไม่เชิญความสาเร็จล่ะคะ ขณะนั้นลูกสะั้ยได้ยินทั้งสองกำลังปรึกษากันเธอก็เข้ามาและแนะนำว่าจะไม่ดีกว่าหรือคะถ้าเราเนี่ยเลือกความรักบ้านของเราจะเต็มไปด้วยความรักยังไงละคะเออเราน่าจะฟังสิ่งที่ลูกสะั้ยแนะนำนะอ้าว ถ้เช่นนั้นเธอออกไปข้างนอกและเชิญความรักเข้ามาเป็นแขกของเราเถอะภรรยาออกไปและถามชายชาราทั้ง3ว่าใครคือความรักโปรดเข้ามาและเป็นแขกของเราเถอะความรักลุกขึ้นและเดินไปยังบ้านชายชาราอีกสองคน ลุกขึ้นและตามเข้าไปด้วยความประหลาดใจภรรยาถามว่าความมั่งคั่งและความสำเร็จฉันเชิญเพียงความรักนะคะทำไมคุณถึงเข้ามาด้วยล่ะคะชายชะลาตอบพร้อมกันว่าถ้าคุณเชิญความมั่งคัง่งหรือความสำเร็จคนใดคนหนึ่ง อีกสองคนจะอยู่ข้างนอกแต่เมื่อคุณเชิญความรักที่ใดที่เขาไปเราจะไปกับเขาค่ะที่ใดมีความรักที่นั่นก็จะมีความมั่งคั่งและความสำเร็จท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังเลือกใครคะถ้าเลือกผิด เลือกใหม่ได้นะคะจบนิทานสอนใจเรื่องเป็นคุณคุณจะเลือกใคร